ว่าเราปฏิบติธรามทำไมจำเป็นไหมเรือในการปฏิบัติธรรมในชีวิตนี้ไปมาอาจจะไม่อยากไม่ไม่ตอบคาถามที่ตัวตบว่าเราปฏิบัติทรรมทำไมแต่อยากจะถามจะไปว่าทำไมเราไม่ปฏิบัติทำไมเราไม่ปฏิบัติธรรม้นจจะมมมมน่าร คำว่าปฏิบัติทำทำหมเราก็ต้องหาเหตุาหาผลหาข้อสรุปดูไปเหตุผลที่ดีๆให้กับ เ, เหตุผลของการปฏิบัติธรรแต่ถ้าเราย้อนกลับมาถามดูตัวเองว่าทาไมเราถึงไม่ปฏิบัติธรรมเลนะอันนี้มันจะเป็นคำถามที่กระชับลงมาดูที่ตัวของเองทาไมเราต้องไม่ปฏิบัติธรรด้วย เพราะเมื่มาพอมาทอบทวนไปแล้วมันแทบไม่มีเหตุผลที่จะมาอธิบายว่าทําไมเราถึงไม่ปฏิบัติธรรมอ่เพราะว่าเพราะว่าเท่ากับที่ไม่ต้องปฏิบัติธรรมแล้วคือคนที่เรียกว่าไม่มีความทุกข์อ่ก็คือคนที่ ม, ม, ท ม, ทมีทุกแล้วอ่มีชีวิตเป็นปกติแล้วก็คือรู้ว่าตัวเองจบกิจแล้วไม่ต้องไม่คนพลทุกข์แล้วไม่ทุกข์แล้ว อ น, นี้อาจจะเป็นถ้าบุคคลไป็นนั้นก็เดินไปก็มาปฏิบัติธรรก็ได้นะหรือถ้าเราถามตัวเองดูให้เป็นซึน้งจริงถ้าเราต่อแบบไม่เข้าข้างเหตถ้าเราดูในชีวิตวันข้างหน้าต่อไปวันหนึ่ต้องแก่ขึ้นนะต้องมีความเก็บไข้ได้ป่วยนะใหนวันใดวันหนึ่งต้องมีการพลาดพลาสูญเสีย ไม่วันใดก็วันหนึ่งถ้าสุดท้ายเราก็ต้องพัดภาพสุนทรีย์จากโรคนี้จากร่างนี้ไปก็คือความตายคือเราก็องเจอสภาวะตรงนี้แน่นอนต้องแก่ขึ้นแน่นอนต้องเก็บขึ้นแน่นอนแล้วก็ต้องพัดภาพสุนทรีย์จากภูมิจากของแน่นอนสุดท้ายเราก็ต้องตายแน่นอนถ้าเรามีความตั่นใจว่าถ้าเราเจอเหตุการณ์นี้แล้วเรามีทุกได้ หมายว่าเอถ้าคนมีความมันใจหรือยึดว่าเธอเซ็ตไม่ต้องปฏิบัติธรรมก็ไดนะแต่ถ้าเราย้อนสัปดาห์มาเรจะเองจริงว่าเมีความมัใจว่าจะเห็ไหมถ้าตรงเสีสภาวะเช่นนันแล้วจะมีทุกได้ก็ี้าเราตอบตัวเองได้ก็มีตะเก็งปฏิบัติทารแต่ถ้าเรากลับมาดูแล้วว่าเราเรากลับมาดูสัปดาห์นี้แล้วเราก็รู้ว่าเรายังไม่ครอมุกยังมีความทุกอยู่ โรคเขาเรื icate, ่องต่างๆเคียดเขาเรื so Sa ่องต่างๆเดีนี้ก็เป็นเป็นต้องปฏิบัติธรรมหรือเราก็มีความไม่แน่ใจว่าถ้าเราต้องแก่วันนี้ร่างกายจิตใจมันจะเป็นแบบไหนน้อนะจะรับมือมันได้หรืป่าต้องเก็บไข้ได้ป่วยวันนี้ยังไม่ต้องเก็บอะไรวันข้างหน้าอาจจะต้องปวดตัวนี้หรือเป็นโรคไดก็เลือกไม่ได้ ไม่เป็นหมอก็ยังเลือกโรคที่จ ะ, จะเป็นก็ยังไม่ได้นะคนไคนนข้เบื้องต้น็นที่เรื่อไม่จะ ม, มาเลือกโรคที่เป็นไดน้หรือแม้แต่ไม่แต่มาเลือกอาการมันจะทดลองวิมากหรือน้อยได้นะเจ็บเ็บปวดมากน้อยก็ไม่สามารถเลือกได้มันะมเป็นไปตนะามเหตุตาปจจองมานะคำตอบจะแน่นอะนไม่วันไหนก็วันนี้สุดท้ายเก็ต้องักน่าวูเสียหรือจะต้องตายไปเราต้อง ได้ยินได้ไหมว่าเราพอที่จะให้ปุ๊กัดสภาวะตรงนั้นเรามั่นใจไหมถ้าเราไม่มั่นใจแสดงว่าเอออันนี้การปฏิบัตธรรมเป็นเรื่องที่จำเพ็นการปฏิบัตธรรมก็เลยเป็นเรื่องที่ต้องไม่ใช่แค่ว่ามันเป็นเรื่องกจำเป็นแต่อาจจะต้องเรียกว่ามันจะเป็นเรื่องด่วนเลยก็ได้เพราะสิ่งต่างนี่มันจะมันสามารถเกิดขึ้นได้ทุกวินาทีก็ได้ ความสามารถเกิดขึ้นได้ทุกนาทีแต่พุกมากกว่าทุดน้อยเช่นปนะวดขาปวดหลังปวดหัวความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับกายอยงนี้มันพร้อมที่จะนําสู่ความทุกข์ใจของเราทุกนาทีทุกไม่นาทีหรนะือแม้แตบบ่การทักท้วงกเสียนะก็ไม่แนนะ่มันจะเกิดขึ้นได้ความติดข่ายในป่วยก็กระทันหันไ ไม่แต่าตายก็พร้อมที่เกิดได้ทุกวินาทีนะเขาว่ามันโรคไว้นี้ประมาณเจ็ดพันล้านคนวันนึงก็มีคนเสียชีวิตหรือว่าคนตายประมาณ่องแสนคนแก่ความตายจะเป็นหนึ่งในสองแสนนี้แต่เราลองลองว้นนึนมากนนั้นจะเกิดเรียกว่าแผ่นดินไว้ถึงกระโดดหรือสึนามินะอาจจะมากกว่านั้นก็ไดนะ้อันนี้คือ มันความพัฒนาขรุขระการตายก็เป็นเรื่องที่ธรรมดาเราไม่รู้หรอกว่าเราจะตายเมื่อไรตายอย่างไรตายที่ไหนเราถ้าเราตอบคำถามเองนะเออเราพร้อมจะตายไหมพร้อมจะจากโลกนี้ไปไหมถ้าเราตอบคำถามได้มันใจก็การปฏิบัติธรรมก็เป็นเรื่องที่ไม่จําเป็นแต่ถ้าเราต้องตัวเองเลแล้วเราคงยังทุกอยู่ เราก็ยังรับเงินไม่ได้มาถึงเตรียมใจไม่ได้กับสภาวันที่ต่างวันนี้ที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตของเราเองหรือสิ่งต่างที่จะเกิดขึ้นกับคนรอบข้างของเราเองเราก็ไม่สามารถเตรียมใจได้เนื่องการปฏิบัติธารก็เลยเป็นเรื่องที่กันเป็นและสำคัญมากกับทุกคนนะครับทุกชีวิตเพราะสิ่งต่างเที่อันมาทุกเมื่อกี้มัเกิดขึ้นกับทุกคนทุกชีวิตแน่นอนไม่ใช่เรื่องที่เด็ยกว่า ต้องพยายากรอนะแต่เป็นเรื่องของอนาคตที่แน่นอนแล้วนะแต่เิียงแต่ว่าไม่รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นวันไหนเมื่อใดแค่นั้นนะนี่เป็นสิ่งที่แน่นอนแล้วคดีเราก็ต้องมาถ้าเราตสอบคดีนี้เราก็ดูว่าถ้าเราจะเป็นผปัจฏิบัติธรรมการปฏิบัติธรรมเป็นเรื่องที่สําคัญกับชีวิตแน่นอนเราก็เป็นหนึ่งในชีวิตนั้นเราก็เป็นหนึ่งในคนนั้นที่ยังทุกอยู่นั่นเราต้องมาดูว่าเี่ยเราอาจจะปฏิบัติธรรมอย่างไรละ การปฏิบัติธรรมอย่างใดจะเป็นไปเพื่อความออกจัดทุกข์หรือรการปฏิบัติทรรอย่างใดเป็นไปเพื่อความเรียกว่าปล่อยวางหรือรการปฏิบัติธรอย่างใดเป็นไปเพื่อเรียกว่าความรู้เท่าทันอารมที่เกิดขึ้นอันนี้เป็นเรื่องที่สําคัญเพราะว่าการปฏิบัติธรรมจะในประเทศไทยในทั่วโลกก็ว่าได้นะหลายที่ก็ว่าตัวเองคือคการปฏิบัติธรรมนะแต่ยิยากคือการปฏิบัติธรรม แต่ภจจูมิปัญญาทั้งแบบการปฏิบัติธรรมเป็นสองอย่างง่ายๆนะก็คือาการปฏิบัติที่เรียกว่าการทำสมาธินะหรือเรียกว่าสมสาทานสมาสานก็มีอย่างที่เรียกว่ า, าการปฏิบัติแบบเพื่อที่เกิดเจริญปัญญาเรียกว่าวิปัสสนากรารมฐานการเจริญสมาธิคือก็ ค, คือการที่มีจุดมุ่งหมายคือการทำจิตให้เกิดความสงบจะทำวิธีไหนก็ได้ ให้จิตเกิด ค, ความสงมบนะอันนี้คือการทําสมาธนะิสมาธิคือจิตสงบจิตตั้งมั่นจิตมีความสุขนะมีความสบายอันนี้คือการทําสมาธิซึ่งการทําเช่นนี้ก็มีหลายวิธีเขาเรียกว่าสมปทานติดติดมีหลายอยา่างเข็มกติ๊บก็ได้นะอะไรต่างๆเย้ๆมากมายนะซึ่งสิ่งต่างๆเนี้ยการทําสมาธิมีมาตั้งแต่สมัยก่อนพุทธกาล หรือจะพูกว่าในศาสนาอื่นก็มีเหมนกันการทํำสมาธิจนได้ฌานะจนได้อะไรต่างๆเยี่ยมมากมายซึ่งตรงนี้พระพุทธเจ้า ก, ก็เคยทํามาแล้วเหมือนกันเคยทำสมาธิมาจนเรียกว่าได้ได้ฌานขั้นสูงที่สุดนะของการทําสมาธิมาเลยนะแต่ถ้าบางคนพบว่าการทําเช่นนั้นไม่ค่จะทําให้ไม่ ไม่สามารถที่จะเดินต่อพึ่งปัญญาได้มืาถึงว่ามีการไล่ลายต่อหรือว่าจะเดินต่อได้เพราะว่าบางทีสมาคีหลายยามันเป็นไฟเพื่อมันติดมันติดโลกติดสุขติดสบายโดนะยส่วนตัวอาตมาเองก็เช่นกันเคยเคยทำเรล่างนี้ว่าเราจะเดินติดหรือว่าจเจรเินอานาคลานัสติแต่พอทําไปมันกลายเป็นติดสมะคีตัวนี้ ไปพูดที่กลุ่มที่มาก่อนตอนแรกนะเพราะวตอนปวชเป็นใหม่นะมันมีความภูมิใจที่ได้บวช ม, มี บ, บรรยากาศสัพยาของวัดอยู่ในปุเบอร์สิบอยู่บนเขางเงียบเงียบไม่ไฟฟ้าอยู่คนเดียวเราก็มีความสุขมีความภูมิใจที่ได้ได้บวชก็นั่ง ม, มีความสงบอยู่ในนั้นเกิดสมาธิขึ้นรู้สึกเหมือน มันเป็นเหมือนเป็นแกล้ของความสุขบรรยากาศที่คล้ายเหมือนเราแค่นั้ำอุ่นที่แล้วมันสบาย่อนคาวทุกอย่างเป็นแบบนั้นแต่มันแค่อารมณ์ไม่ใช่แค่ที่ภายนอกเหมือนเอาจิตไปแช่กับสภาวะความสบายคอนโตความโล้ความเบาก็มีรู้สึกตัวเบาตัวลอยท่าถ้าตัวมันใหญ่แทบจะคลัพคล้องแต่มันสุดมัน มันเบามันจะลอยได้มันลูปโปล่ตรงนี้มันก็เป็นสภาวะที่เรียกว่าเป็นสมาธิแต่เป็นสมาธิที่ไม่มีไม่นำพาเพื่อนวามรู้เพืตัวเป็นสมาธิแบบให้เราติดอ่ะเหมือนกับดักใหเราติดเหมือนขนมหวานที่ก็ให้เราต้องกินต้องเต็บเป็นประจําเหมือนกับคนที่ติดบุหรี่ติดสุราวันวันหนึ่งก็โวยหาที่ เลยนะสุรุลีหรือจะดื่มสุราเป็นประจำคือมันจิดแบบนั้นแต่นั่งมาที่เมื่อไหร่จิตก็คิดถึงอารมณ์ตรงนั้นแล้วคิดถึงอารมณ์ที่มีนอยากจ็บปวดแบนั้นเบาแบบนั้นรอยแบบนั้นวันไหนทําได้ก็รู้สึกจะเอินภาวนาดีวันไหนทําไม่ได้ก็รู้สึกเป็ภาวนาแย่มันมีแต่ดีกับแย่ได้กับไม่ได้นะแต่มันไม่เคยย้อนกลับมาดูว่า ที่จะเองทํำมันถูกหรือเปล่าทำไมันติดแค่นั้นเรามาปฏิบัติธรรมเราแค่แบบนี้หระอเราแค่ความสบายความเบาตรงนั้นหรือนะแต่ก็ดีมีโอกาสที่ได้ได้มาฝึกการยกมือสั้นอย่างเราได้มองฟังคําสอนของหลวงพ่อําเขียนของพ่อจำได้สามบ้างก็ทำให้เราได้สะกิดใจว่าเอ๊วิธีการนั้นมันเป็นเหมือนเป็นการแค่อารมณ์นะ สภาวะที่เกิดขึ้นมันเป็นสภาวะที่เรียกว่ามันเป็นนะิมิตนิมิตที่เกิดขึ้นจากสมาธิมันไม่ใช่ของจริงมันเกิดขึ้นจริงแต่มันไม่ใช่ของจริงฟังเข้าใจไหมมันเกิดความเบาจริงเกิดความสุขจริงแต่มันไม่ใช่ของจริงที่เราจะเอาได้นะี่มันเหมือนกับสภ า, าวะอากาศภายนอกที่มันเย็นมันสบายแต่เราจะยึดถือว่าเป็นของเราก็ไม่ได้เหมือนกับความสุขท่านั่งติดของภายนอก มันไม่ได้สมบัติที่แท้จริงของเราเราจะไปยึดมันไม่มีสิทธิ์ที่จะเอาได้อืเราก็เริ่มตระหนักตรงนั้นพอได้มาฝึกเจนเนสติมาบ้างอันนั้นคื อ, อมาคุ้มคร่าวๆคือเรียกว่าธรรมะกร ร, ร, ธ ร, ร, ธ ร, รกมฐานทําไปเพื่อให้เกิดความสงบทําไปเพให้เกิดความสุขทําไปเพื่อให้เงินฝุ่นความคิดไม่มีความคิดเกิดขึ้นแต่ธมามะกรรมฐานไม่สามารถทําได้ตลอดเวลา เพราะมันอาศัยเหตุปัจจัยมากมายไม่แต่การนั่งจะนั่งตลอดเวลาก็แทบทําไม่ได้นั่งได้สองสามชั่วโมงก็ถือว่เก่งแล้วนะบางคนอาจจะทําได้มากกว่านั้นนะก็เถอแต่ก็ไม่สามารถนั่งได้ทั้งวันทั้งคืนหรอกนะมันก็ต้องลุกขึ้นยืน อ, ออกจากอุดมไปธรรมดาแล้วคนนี้มันเสือเส่อมได้มีได้จะเสื่อมได้หาได้เป็นธรรมดาคล้ายๆเหมือนกับน้ำบันดนองนะพอเปิดอ่าเปิดฝาออกปุ๊บนะ ความส่ามันค่อ่าเรียกว่าคาไปเป็นธรรมดาตอนนั่งสมาธิจิตตั้งมั่นดีพอออกมัจะ ก, การนั่งตัว น, นั้นเนะ่มันก็ไปเจออารมณ์มันค่อยๆคลายความส่าคลายความสุขคลายความสบายเป็นแบบนั้นนะไม่ต้องมาประคองอารมณ์ได้ตลอดเวลานะไม่ติดตั้งใจทางไหนนะท่านใจจิตถนองทั้งใจเยประคองมันกลับเหมือนยิ่งหายไปนะมันเหมือนยิ่งยิ่งหนักยิ่งหายไป เ, เรื่อย แล้วที่สําคัญความหายไปแล้วเราเกิดความทุกข์ใจกับมาแทนที่จากความสุขการเป็นความทุกข์ทันทีทุก็ไม่ไม่สามารถรักษาได้ทุกเพราไม่สามารถปกครองได้ทุกเพราอยากได้อีกมันทําไมทําไปแล้วมันกลับยิ่งทุกมากกว่าเกา่าท่นานนที่มเคยได้พอมันไม่ได้ทํามหันเสียดใจขนาะ น, นั้นอ่าก็มันก็ย้อนกลับมาดูเออแต่ว่าไอ้ที่มันทํามัน มันอาจจะถูกถูกแต่แบบถูกแบบสมาธิถูกแบบแค่ความสมมุบชั่วคราวมันไม่ได้ขิดแต่เปีนี้ว่าเราไม่รู้ว่าเราจะต่อแบบไหนไม่มีใครจะบอกเราต่อได้ว่าเราจะทําแบบไหนไม่ค่อยมีครูบาอาจารย์บอกว่าอั น, นี้คือสมาธิอันนี้คือนิมิตอย่าไปติดมั่นมันเป็นแค่อาาัตตาแต่บางที่บางแห่งเนี่ยเรียกว่าปฏิบัติแห่งเห็นแบบนั้นนหะถือว่าดีแล้วยุคนี้เห็นเรียนทำยิ่งเห็นมากกว่านั้นองนะ ทางตาก็อยากให้เห็นทางหูก็อยากให้ได้ไยินเสียงนะทางใจก็อยากให้ได้สัมผัสวิเศษไดมากมายนะหูทิพตาทิพรู้ว่าคิตคนอื่นหรือว่าอะไรก็ามมันเป็นไปในแนวของสมาธิในแนวของไปรู้เรื่องภายนอกนะหือไปได้สิงภายนอกไปได้สิงที่ไม่ใช่สมบัติทแท้จริงขอ ง, งจิตใจอันนี้คือเรื่องการเดินสมาธิธรรมทานซึ่มงมันมีหลายรูปแบบที่ต่อนกันมากมายนะ ในโลกนี้แต่เรื่องของการเจริญสติหรือการทำวิปัสนาเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เรียกว่าจะเรียกเป็นเรื่องใหม่ก็ได้แต่เป็นเรื่องใหม่เมื่อสองพนกรอยปีที่พระพุทธเจ้าเป็นคนพบนะเป็นเรื่องใหม่ที่พระพุทธเจ้าเป็นคนคนพบเป็นคนแรกก็คือการเจริญนะสตินี่แหละสติในการที่เรียกว่าเห็นกายเวทนาจิตธรรมอยู่เป็นประจา เกิดทางถอนความพอใจและความไม่พอใจในโลออกได้เป็การถอนความทุกข์ออกจากจิตใจได้แบบสิ้นเชิงอันนี้คือการเจริญิติหรือเราจะเรียกว่าการเจริญวิปัสสนาก็ได้นะหรือการเจริญปัญญาก็ได้นะอันนี้ถึงการเจริญที่เรียกว่าทําให้เกิดหรือทําให้เป็นไปเพื่อความออกจากทุกข์เป็นไปเพื่อความตนทุกข์การเจริญสติต่างจากจิตหมายการเจริญสมาธิก็คือสมาธิเป็นไปเพื่อความสงบ เป็นไฟเพื่อความสุขแต่การจยึดติดเป็นไปเพื่อความเรียกว่ารู้เท่าทันสังคาญก็คือร่างกายกล้ก็จิตใจแล้วก็ถอนความพอใจและความไม่พอใจในการยึดมั่นถือมั่นในสังคาญคือร่างกายและก็จิตใจนั้นได้หรือจะพูดภาษาให้เราเขา้ า, จ า, าใจนั่นคือาา ก, การกลับมารู้จักกายและใจนี้อย่างแท้จริงเมื่อเรารู้จักกายและเข้าใจนี้อย่างแท้จริงเราจะเห็นว่ากายและใจนี้ มันไม่ใช่ของเรามันเป็นเพียงเค่งเหตุปัจจัยที่เกิดขึ้นหรือกลับมาเห็นว่าการ้ยใจเนี่ยมันตกที่ไนดับที่เรียกว่าขริยสัจสี่มันเป็นทุกข์อย่างไรการเป็นทุกอย่างไรศึกษาไปให้เห็นว่าการมีสภาวะทุกข์แบบไหนทุกข์เพราะความหิวทุกข์เพราะความเจ็บทุกข์เพราะความปวดทุกข์เพราะความแก่ทุกข์เพราะความเจ็บทุกข์เพราะความตายึเป็นสภาวะทุกข์ที่เกิดขึ้นกับกายดีทุกขณะ ให้เรากลงเห็นแค่เห็นแต่ทั้งเราอย่างครับว่าการมันเป็นรูปแบบนี้แต่ทั้งตกลงเห็นถึงใจทุเหมือนกันใจทำไมเราเป็นรูปทําไมต้องเปลียนใจทำไมต้องร้องไห้ทําไมต้องเครียดทําไมต้องใไร้อนมากมาทําไมต้องสงสัยเรื่องอะทีนะทำไมยังไม่วัดวารเพื่ถีนะทําไมมันมีแต่เรื่องของทําไมแต่ทันงเรามาเข้าใจมันก็เลิ่มรู้ว่าไมกับปัญหาตรงนี้ทีนี้มันมีความเข้าใจเกิดขึ้น บางทีหลวงพ่อเขียนว่าจะพูดแล้วอ่ออ๋อถึงสภาวะที่รู้อ๋อเข้าใจแล้วนะแต่บางทีสภาวะที่เคออสงสัยอยู่ยังไม่มั่นใจถูกทางหรือเปล่านะแต่ท้าวพอถึงสภาวะที่อืเข้าใจบาทีก็หลวงพ่อก็เลยอืมแค่นั้นเองก็คือแบบยอมรับแล้วเข้าใจแล้วเก็ตแล้วประมาณอืมคือสภาวะที่แบบเข้าใจแต่การเข้าใจวันี้มันเป็นการเข้าใจตัวเองอย่างจ่แจ้ง แน่ยแท้จริงนะการเจริญสติแต่ทําให้เราเข้าใจตัองแท้จริงการเจริญสติเนี่ยมันจะเป็นเรียกว่าเป็นสิ่งที่มันทําให้เราออกจากความทุกข์ได้นะคราบนี้เมื่อการเจริญสติเป็นไปเพื่อความเข้าใจทุกมันก็มีสิ่งที่เรียกว่าอาจจะเรียกว่าขั้นตอนต่อไปเขาบางทีเราบอกว่าเราเจริญสตินะแต่ถ้าเราเราจะเจริญสติแบบไหนให้ถูกทางที่แท้จริงนะเพราะ หลายที่หลายวัดก็บอกว่าเป็นการเจริญสติเป็นการเจริญวิปปัตนานเป็นเป็นแบบนี้เป็นวิปปัตนากรรมฐานเยอะแยะมากมายหรือแม้แต่ในคของหลวงพ่อเทียนเองก็ดีมีการยกมือตั้งจันวะว่าเป็นวิปปัตนากรรมฐานแต่หลายที่หลายคนก็ปฏิบัตแบบเรียกว่าไม่เกิดวิปปัตนายางไม่เกิดเรียกว่าสติปัฏฐานที่แท้จริงเพราะทําไมเพราะว่าทําผิดนะ ทำผิดที่ตรงไหนที่มากที่สก็คือทำผิดในการเรียกว่าไปตั้งใจมากเกินไปเปเพ่งมากเกินไปไปย่อ ม, มากเกินไปทำไม่สบายบายทำไม่ผ่อนคลายทำไปแล้วเรียกว่ามันเกิดสมาธิจากการยกมือแทนแต่ก่อนสมาธิเป็นการดูลมหายใจสมาธิจากการดับตาสมาธิจากการบริกรรมแต่คราวนี้นเป็นสมาธิจากการยกมือนะรู้สึก ตึงมือต่อยาวลากไปเรื่มันท้าเหมือนเราขบนะมันเราไวเตะไหเตะเด็กนะไปทางซ้ายไปทางขวามันก็บไป่เด็กมันละไปสมาธิที่เรายกมือเคลื่อนไหวเราจังกรมก็ท้านกันขบตัวเองไป เ, เรื่อยเ่ไปเพื่มไปเพื่มไปนั่นจิตมันนิ่งจิตมันสงบจิตมันไม่คิดอะไรจิตมันมีความสุขอันนั้นเขาเรียกว่าทาเจริญิ แบบเคลื่อนไหวแต่การเป็นสมถะก็มีใครเป็นจิตเพ่งจิตจ้องไปก็มีอันนี้คือได้แค่ความสงบนะแต่ไม่ใช่ถึงหน้าขณะปิดทางหรอกนะถ้าเรารู้ทันว่าจิตมันสงบเราสามารถออกเป็นผู้รู้รู้ว่าตัวมันสงบอันนี้ก็ถูกทางนะนนการเจริญสติที่ถูกทางก็คือการเจริญและเกิดสภาวะผู้ดูหรือผู้รู้นะหรือว่าสภาวะที่เรียกว่าส่วนสติที่แท้จริงนะจะสามารถแก้ไขว่า สตินี่เป็นเพียงแค่ผู้รู้ผู้ดูแล้วก็เห็นอาการที่เกิดขึ้นต่างๆจะเป็นอาการของกายของเวทนาของจิตของธรรมก็แล้วแต่เป็นเพียงแค่สติที่ถูกสติเข้าไปรู้จินทร์ถูกผู้รู้ที่เข้าไปเห็นเหมือนกับปัตตมายอยู่บนตรงนี้แล้วก็เห็นพวกเราทุกคนนี่คือคนดูนี่คือสิ่งที่ถูกถูกตั ว, ต, วตัวดูเนี่ยเห็นสภาวะมันเป็นเช่นั้นเห็นได้ว่ากายมันเป็นส่วนหนึ่งที่มัน ดำรงอยู่แยกขาดจากสภาววที่เห็นตรงนี้อยู่เวทนาสมุนกันความสุขเกิดขึ้นความทุกข์เกิดขึ้นความเฉยเกิดขึ้นก็เป็นสิ่งที่แค่สติเข้าไปเห็นไม่มันไม่ใช่เราจิตก็เหมือนกันจิตที่คิดปุ๊บต้างจิตที่รักจิตที่โลภโกรธโกรเกิดขึ้นก็เห็นว่าจิตนั้นไม่ใช่เราะแต่แท้ที่จริงแล้วสิ่งต่างๆก็เป็นแค่สมมุติที่เรียกว่าจิตมันเป็นแบบนั้นแบบนี้แต่แท้ที่จริงแล้วสิ่งที่แค่อาการที่เกิดขึ้นกับจิตที่แท้จริง จิตที่แท้จริงมันเป็นจิตที่ปกติจิตที่แท้จริงมันเป็นจิตที่ไม่มีสภาวะอะไรเหมือนกับความว่างที่มีอยู่แล้วเพียงแต่ว่ามีสิ่งตาง ม, มามาถ่วงเป็นความว่างนั้นคล้ายเหมือนแก้วนะ้ําที่ว่างเปล่าจะเทน้ําชาจะเทน้ำแซฟไฟรจะเทน้ําสีแดงมาก็คือสภาวะมันแค่มาถ่วงเชือกพาวมาเป็นสติดเ ช, ชืวคราวมาครอบเชือกพาวนะั้น อารที่เกิดขึ้นกับจิตมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแค่ชั่วคาวเท่านั้นแต่จิตที่เดิมแท้มันไม่ได้เป็นอะไรนะมันเปลี่ยนเคียดแบบคร่าวๆไปเช่นนะั้นมันเห็นว่าจิตมันมีสภาวะสองแบบคืคอจิตสภาวะที่เป็นปกติกับจิตสภาวะที่ผิดปกติจะผิดปกติไปด้านไหนก็ดีด้านบวกด้านลบ อ, อันนี้คือจิตที่ว่ามันผิดปกติไปแต่จิตเดิมแท้แล้วมันถึงปกติอยู่เช่นนั้นมันจะเห็นมันจะเข้าใจความนั้นมันจะเข้าใจกระบวนการ ในการเกิดอารมณ์เกิดสภาวะธรรมะต่างวรามันต้งแต่มจะเข้ามาหรืเข้ามาแบบไหนมันเข้ามาได้อย่างไรมันอยู่แบบไหนแล้วมันจะไปแบบไหนมันจะเข้าใจกระบวนการธรรมารมณ์ที่เกิดขึ้นนะในทุกสภาวะก่อนที่มันจะสงสัยทำไมมันถึงเกิดความสงสัยสงสัยแล้วสภาวะของกายเป็นแบบไหนเพรจิตเป็นแบบไหนมันพายกำลังใจออกไปกายแล้วจิตมันผ่อนคายเปลี่ยนไปเช่นไร ความม่วงเกิดขึ้นก็เหมือนกันอยูด่ดีมันยังไม่ม่วงความม่วงมันจะเข้ามาเมื่อไรอมันดำรงอยู่มันมีอาการแบบไหนกิ ด, น ด, ดดิ้นรนหรือเปล่ามันจากไปมันเป็นอาการเช่นไรคล้ายๆเหมือนกับก่อนที่มันจะมืดนะมันก็ยังสบายอยู่ความมึดค่อยๆคืบเข้ามานะคืบเข้ามาจะเล็ก น, อน้อยจะท่ามืดไปแล้วจะพักความมึดก็จะหายไปทักความสบางแทนที่ขึ้นมาแทนที่ แต่สภาวะของจิตมันเร็วกว่าตรงนี้เยอะมากนะในบัญชีเช่นวินาทีมันเกิดพวกตั้งอยู่ระดับภาพเลยทันทีมันเร็วมากความเมื่อยความสที่ยกตัวอย่างเมื่อกี้มันมันยังนานเป็นวันเป็นคืนนะแต่สภาวะที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปของจิตมันมันรวดเร็วมากมันเป็นกระบวนการธรรมดลที่เกิดขึ้นนะแต่บางทีมก็เกิดขึ้นบ่อยเลยซ้ำมาคนละบางอารมณ์เกิดขึ้นไม่บ่อยอันนี้คือสิ่งที่เรามาทํำความเข้าใจว่า แค่ที่จริงแล้วในชีวิตนี้ไม่มีอะไรมีแต่เรื่อง ก, กายเวท น, นาจิตรรมทั้งนั้นมีแต่สภาวะที่เกิดขึ้นทั้งนั้นเมื่อเรามาศึกษาสภาวะของการจเจริญวิปัสสนาหรือว่าการจเจริญสติเนีน้มันจะทําให้เราเข้าใจว่าอ๋อเองต่างๆมันเป็นแค่เรื่องของรูปเรื่องของนามเรื่องของธาตนีะ่ดินน้ําลงไฟเรื่องของขันธ์ห้าแค่นี้เองนะขันธ์ห้าเป็นแค่นี้เองแล้วการที่ เ, ทรเราเป็นฟุ้งเอะไรก็จะไปยึดว่าขันธ์นี่เป็นของเรา เราเห็แค <tim b> ่ไหนแต่เห so so ็นว่าเราไปยึดกับภาวะที่ไม่ควรยึดอ่าไม่ควรยึดเลยพอยึดเมื่อไหร่มันปุ๊บไปยึดว่ารูปนี้เป็นของเรามันทุกแน่รูปนี้มันไม่มันไม่เคยมีความสุขอ่าจะว่ามันกินกินต้องมีความสุขเหรอจะว่ามันนอนหลับต้องมีความสุขเหรอมันก็สุขแบบสุขแบบอะไรสุขแบบแบบยังมีความทุ้มแขกอย่งนั้นเพราะมันไม่ใช่สุขที่แท้จริงมันมีแต่ภาวะทุกข์มากกับสุขน้อยเท่านั้นถ้าเรามีสติปัญญากินเรา คว่าสุขมันก็เป็นสมมุติที่เรียกสภาวะแท น, นี้คนหเข้าใจแต่แท้จริงใจเราเริ่ดเริ่ดเาจะบอกว่ามันก็แค่มันทุกน้อยมันพอทน อ, อยู่ได้เฉยแต่แท้จริงแล้วในธรรมชาแท้จริงมันทุกมากเหอเกินทุกจนท่านไม่สามารถประคองได้ไม่สามารถจมลงได้ไม่สามารถแก้ไขได้นี่คือสภาวะที่แท้จริงของรูปนะมันจะเห็นตรงนี้แล้วมันก็เกิดความเรียกว่าเบิ่ห่ายคลายกำหนักความยินดีในรูปรูปของตัวเองนะ พอมันเกิดความเหนื่อยหน่ายควาหนักความยินดีในรูปตัวของเราแล้วมันก็จะคอยเหนื่อยหน่ายควาหนักในความยินดีในรูปของสิ่งอื่นๆอื่นด้วยเหมือนกันนะที่เคยโหนที่เคยยึดวันนี้คือแฟนเราภรนักเราลูกเราพ่อแม่เรานะมันก็ยังมียืนสภาพันตรงนั้นแต่การยึดว่ามันเป็นของเรายึดว่าเขาจะต้องดีแบบนี้ต้องถูกแบบนี้ตลอดไปมันไม่มีถ้ามีแต่ความสําคัญที่อยู่แต่ถึงแม้ว่ามันมีการยึดว่า มันจะเปลี่ยนแปลงไม่ได้นะมันจะพุกไม่ได้นะต้องเป็นแบบนี้ตลอดไปนะนะมันไม่แช่เพียงแค่ความเข้าใจทาทฤษฎีแต่เป็นเรื่องที่จริงมันจะเกิดการยอมรับความจริงตรงนี้เมื่เกิดการเปลี่ยนแปลงกับตัวกับตัวของเราเองรูปเราเองหรือว่ารูปของคนอื่นมันก็เข้าใจเลยว่าเออนี่ทำตอบมันมีมันถูกแล้วมันถูกแล้วไม่ต้องสงสัยไม่ต้องว่าทำไมทําไมถึงเกิดขึ้นกับเราด้วยทําไมเราต้องเป็นมะเร็งด้วยทําไมเราต้อง โดนรถชนด้วยทำไมพ่อเราจะต้องตายด้วยไม่ไม่มีควาว่าทำไมมันเกิดแต่ว่าเกิดขึ้นแล้วรอโอเคจบ ม, มันมีมีตัวอย่างหลวงพ่อเทียนตอนนั้นท่านเทศนาสอนธรรมอยู่ที่วัดโมกติบัตรคอนแก่นท่าก็เทศไปก็มีคนที่บ้านคือว่ามีโยมเข้ามกากราบหาท่านท่านก็นเทศเยอะท่านก็ โย ม, ามาก็มาขัดจังหวะที่ท่านเทพท่แสดงทำบอกว่าหลวงพรอเทียนนายเทียนตายแล้วนะนายเทียนถือลูกของพ่ะเทียนหลวงพ่อเทียนยนอะอแล้วเทพต่อค <c oughs> ือเทพต่อเลยก็คือไม่ใช่แสดงอาการตกใจหรือว่าอะพอแล้วโยมเดี๋ยวจะไปแลนะ้วก็คือแบบแล้วก็ตายแล้วก็แล้วยพ อ, อ, อ, อเทพจบเทียนงานนเสร็จขัานก็่อยเดิน ท, ทางไปถึงทําหน้าที่ของ เรเป็นพ้อเด็มที่ให้เงินเข้ามาก็คือก็รื่องานคือไม่ได้แสดงว่าสภาวะที่เราตกใจอว่าแปลกใจอะไรตายก็คือตายนะเจ็บก็คือเจ็บนะพัดท่าก็คือพัดทา่ทามันเป็นเช่นนั้นันี่คือสภาวะที่ผลมงนพร้อมเต็มที่แล้วมันจะมีอะไรเกิดขึ้นกับกับชีวิตนี้มันควบคุมไม่ ไ, ไปแม้แต่ตั้งทางตายของเราเองมันก็ไม่ได้เป็นทางตา ย, ายอะไรตัวตนตัวใดอ๋อไฟไม่ใส่เงินนะ หมอไม่มีชีวิตให้ก็ไม่เป็นไรเอไม่มีใครดูแลก็ไม่เป็นไรนะที่จริงการปฏิบัติธรรมนี่มันดีมากมันคล้ายๆมันวางมันนับปัจจัยบางทีมันมันบางทีเราเรามีความกังวลหรือว่าเราต้องทำอะไรมากมายเพื่ออะไรเราพยายามที่จะสร้างดักประกันให้กับชีวิตนี้ให้มันมีความต้นน้อยที่สุดเพือให้มันสุขมากที่สุดใช่ไหมเราสังเกตเราบางทีเราพยายามหาเงินมากๆ เพื่ออะไรไปซื้อประกันชีวิตประกันชีวิตเพื่อให้เรามีความประกันว่าถ้าเราเจ็บหรือถ้าเราได้เจ็บตายมันสามารถไปรักษาในโรงพยาบาลที่ดีที่สุดได้อ่ามีเงินที่จะจ้างหมอได้ดีมารักษาเราได้มันก็รับประกันให้แต่แตเกณภายนอกว่าอาจจะมีเครื่องมือที่พร้อมมีหมอที่ดีมีโรงพยาบาลที่ดีหรือมีเงินที่จะไปจ้างคนดูแลเราได้แต่สิ่งที่ หลักประกันชีวิตในดลักในเบอรประกันต่างๆไม่สามารถรับประกันได้คือการที่เราจะวางใจให้เรามีท <arrow> ุกข์กับสภาพตัวนั้นได้ไม่มีใครช่วยเราได้เลยไม่มีใครประกันตัวนั้นได้แต่หลักธรรหลักธรรมสามารถประกันตัวนั้นได้แน่นอนอาจจะไม่มีหมอมารักษาเลยอาจจะม่มีการให้ยาไม่มีพยาบาลมาดูแลไม่มียาพึ่งามาดูแลแต่เรารับประกันตัวเองได้ว่าไม่เป็นไรมีทุกข์ใจตายก็ตาย หายก็หายไม่หายก็ไม่หายก็คือรับประกันตรงนี้ได้เดี๋ยว่าเออชีวิตนี้แม้ไม่มีเงินทองมาจ้างคนดูแลหรือไม่เข้าโรงพยาบาลก็ไม่เป็นไรตายที่ไหนก็ได้อ่าเก็บอย่างไรก็ได้ถ้ามันรับประกันตรงนี้ได้มันก็เกิดขันเบาเลยความเบาตรงนี้ได้มันก็ไม่ต้องไปผลปายอะไรมากบางทีเราก็ทิ้นโดนเพื่อได้เงินหรือบางทีเราก็ทําดีกับผู้กับลายนะหวังเข้าดูแลเราตอนแก่ตอนเฒ่านะบางทีบางทีต้องเรียกว่า เอามงินหลแบ่งไว้สักส่วนหนึ่งแต่งก็ส่วนหนึ่งอย่างน้อยมาเนหลดตรงนี้ก็เป็นแดงจูงดูให้เข้ามาดูแลเราต่อแก่ใช่ไหมถ้าใครดูแลเราเราก็จะยกเงินหลนี้ให้ต่อสุดท้ายนะบางทีเราก็เราไม่มีความมั่นใจในตัวของเราเองไม่มีความมั่นใจในจิตของเราเองเราต้องไปฝากไว้รติเงินกับคนอื่นสิ่งอื่นแต่ถ้าเราปฏิบัติธรรมจต็มทั้งเราจกิดความมั่นใจได้ว่าเออมันก็มีคนดูแลมีการรักษาก็โอเค ไม่มีก็ไม่เป็นไรนะก็ถือว่าเป็นแบบนี้แหละถ้าเราวางใจแบบนี้ได้ชีวิตเราจะเกิดความเบาไม่ต้องหาอะไรมามากนะแต่มันจะเบาจากการที่เรียกว่าไม่ต้องมีอะไรมากก็ได้อันนี้คือเป็นความสุขอาจมาใช้คำวามมา่าเป็นความสุขจะเกิดจากการที่เรียกว่าปล่อยวางสิ่งต่างๆได้นะฉะนั้นถ้าเราปฏิบัติทำเอย่างแท้จริงเราจะเกิดสภาวะถือว่าคนคนแรกคนนี้ก็คือเกิดการปล่อยวาง เกิดความสุขที่แท้จริงแล้วก็เกิดความไม่ทุกข์นะเรามันก็เริ่เริ่มจากกที่เรามีสติในการเห็นเห็นความจริงของกายแล้วก็ใจ น, นี้แหละเมื่อเราเห็นความจริงของกายแล้วใจเนี้มันก็เกิดสภาวะตรงนี้เองแม้ไม่ได้ตั้งใจนะเพราะว่าการปฏิบัติธรรมมันจะมีสิ่งหนึ่งซึ่งบางทีนักปฏิบัติธรรมแล้วจะเรียกว่าทําผิดทําแล้วติดหรือว่าทําแล้วก็เรียกว่ามันเนิ่อช้าคือเราทําด้วยความอยาก อยากจะรู้สึกตัวอยากจะมีสติอยากจะแยกรูปแยกนามอยากจะเกิดวิปัตตัญญารมอยากจะพ้นทุกข์อยจะเป็นโสตบัญญัตอยากเป็นพระราันธทำไปด้วยความอยากตรงนั้นแต่ไม่ค่อยอยากออย่างเดียวไม่ค่อยอยากทําอยากจะได้นะอยากจะได้แต่ไม่ค่อยอยากจะทำอาข้อนวอนขอร้องที่จะได้มาตรงตรงนี้หรือบางทีก็ ไม่ไม่อยากดมแต่ยอยากจะคิดเข้าใจก็มีนะบางทีก็อยากทําอย่างทําในความคิดทําในความคิดทําในความฝันก็มีนะบางคนอัมาติดตอไปโดนต้องพูดนะขณะที่ฝันเราก็ฝันว่าจะเดินจิตอยู่ถูกไหมทําในความฝันนแล้วถ้ามันฝันมันรู้ทางจะมันระ uh huh. <humour> <laughs> <laughs> ู้ทางจริงไหมมันก <cam> ็ไม่ใช <cam> ่นะมันก็เป็นความอยาก อยากประคุมแต่งไปสู่ความฝันไปสู่ความคิดต่ อ, อแต่จริาางการปฏิบัติธรรมถ้าเราอยา ก, กที่จะทําเหตุ น, นะคุณผู้อยากที่จะทำเหตุพระบารมีถูกเดียกว่ามีความพอใจที่ทําเหตุมีฉันทะในการเจริญสติมีฉันทะในการรู้สึกตัวมีฉันทะในการทําความเพียรฉันทะคือความพอใจพอใจที่ทำเหตุแต่ผลน่ะผลที่เกิดขึ้นมันเป็นผลคนอยได้ที่มันสมควรเกิดเหตุที่ทํานั้นน ความอยากก็คือตัณหาที่อยากจะได้ค่าเดียวแต่ฉันทาคือความพอใจที่จะทำผิดตรนั้นอันนี้เป็นสิ่งสําคัญมากฉะนั้นบางทีถ้าเราทำตามความอยากอยากอะไรก็แล้วแต่นะให้เรารู้ทันมันจะรับความอยากของมันเองรู้ทันว่าเราอยากเป็นร้อนโดนอยากเป็นบีบคั้นอยากเป็นขั้งน้ารูาร้จมูกนวดนะอาจมาเอาประสบการณ์ตัวเองมาแลกเป่ยนเรานะอย่างต้นมาต้นปฏิบัติใหม่ๆในพรรษาแรกอ่ะมัน คือเราเรียนจบแล้วก็บวชบวชก็ไม่ทันได้รับปัญญาจาเพื่อนในช่วงนั้นก็ช่วงเข้าตุณตานะัเพื่อนก็รับปัญญาเราก็โดยความเป็นพักไม่สามารถไปรับได้ไม่สามารถไปรับได้มันไปโกรธอะไรกันด้วยเราต้องเราก็ไม่อยากรับอยู่แล้วนะก็ค mm ือ hmm. แต่ในช่วงสมัยนั้นมันจะมีเพลงปฎิญาใจในชะ่ไม mm hmm. มาติดกว่าปีก่อนนะ แต่เราก็ไม่เป็นนิยาใจแบบให้ใครมารัอะไรแบบนั้นนะนคื อ, อ, คอว่าเป็นนิยาใจของเราคือเราต้องบรรลุธรรมสักอย่างคือป็นนิยาใจของเราเราอยากได้ตรงนี้มากกว่าเป็นนิยาบัตรไม่ได้คือไม่ได้รับให้เครื่องส่งมาให้เต็มแล้วเครื่องส่งมาให้ไม่เป็นไรแต่จริงเรอยาก จ, จะได้เรากําหนดวันนะมันก็จำวันไม่ได้ประมาณเดือนกรกฎาคมสิงหาณนะช่วงเข้าสาแรกนะ กำหนดวันในวันนี้เพื่อนจะรับปริญญาเราจะได้เปริญญาใจว่างเก็บอารมณ์สิบห้าวันนะเดินปฏิบัตินั่งปฏิบัติจักว่าแท้ให้มันสุกมองที่ตรงนั้นก็ดีให้รับปริญญาตรงนั้นก็ดีมันก็เป็นความบ้าเราเหมือนกันนะทําด้วยความอยากวันวิสาขบูชาปีต่อปีแรกนี่ก็แบบจะรู้สึกว่าเป็นวันสําคัญมากพระเจาก็ต่อสูตรตรัสรู้ปฏิบัตผ่านวันนั้น เราก็อยากจะมันรู้ทํามันพิสามันรู้จ้าันแต่จะรู้บ้างหรือมันถ้ามันมันได้ที่ไหนล่ะมันทําำด้วยความอยากอย่างเดียวแต่มันได้อย่างนึงมันได้รู้ว่าเมื่ออยากมากมันก็ทุกมากเมื่ออยากน้อยมัก็ทุกน้อยก่อนนั้นนั้นก่อนจะถึงวันนั้นมันไม่ค่อยอยากเท่าไหร่มันก็มีทุ๊บเท่าไหร่แต่พอมถึงวันนั้นมันบีบพันตัวเองมันกับทุกมากพอมันก็ได้อย่างนี้เองได้เห็นว่ามันทุกมากอ่า พอเริ่มเห็นว่ามันทุกข์มากเพราะความอยากหยีพันมันก็ทําให้เราเออไอตรงนี้แหละเป็เหตุของความทุกข์มันไม่ใช่ว่าเราได้หรือไม่ได้แต่ความอยากจะได้เนี่ยมันทําให้เราทุกข์ทุกข์ตั้งแต่ตอนยังไม่ได้แ้วมันจะได้ที่ไหนล่ะมันแล้วก็เออที่จริงมราเปิแบบไปทุกความลดทุกละทุกหรือว่าลดทุกแต่ขณะที่ทําในระมุ่นทุกเกินทุกแบบอะไรอะอะไรมันก็ความทุกอย่างอะข้าวก็มีกินที่ก็มีนอน ไม่ต้องพังนังอะไรทำไมต้องทุกขนาดนี้ทุกขนาดถ้านไม่ได้ทำไมนะหมายถึงว่าเป็นไมเกรนเพราะว่ากาวดหัวมันแนะนำออกมันไม่สบายใจแต่มันก็แต่มันก็เข้าใจเนสภาวะที่เรีว่าเหมือนเหมือนเหมือนโดยป่าเอ่ามันลบนะแต่มันก็อาศัยความเพียรแบบเรียกว่าบ้านดีนะโดยท่าเดียวเข้าใจว่าถ้าดูเองเนี่ยมันจะทะลุเอง เหมือนที่ใช้เจกำแพงเราคิดว่าเราจะมีกำลังดันกระแทกทะลุได้ไห้ไหมมันเป็นความเคลื่อนแบบเหมือนเหมือนคอยตู้นะไม่มีปัญญามันอาศัยกำลังอย่างเดียวอแต่พอเราพอเรารู้สึกว่ามันมันดันจนสุดแล้วมันไม่ไปแล้วนี่คือกำแพงจริงนะไม่ใช่กำแพงแค่ห่าไม่ใช่ไม่ใช่แค่มายาภาพมันป็นของจริงเราก็ก็มากิจทางต้องถอยถอยความอยากักความอยากเลิกความอยากใส การปฏิบัติธรรมทะเลาะที่จริงผลของความไม่ทุกข์มันก็แค่เดินฝั่งตรงข้ามของความอยากแค่นั้นเองก็คือรักความอยากนั้นเองจิตก็เกิดเออความเข้าใจความเข้าใ จ, จติดต่างตามมาของมันเองอันเนี้ยมันกเกิดจากการที่เรามา่ีดการจิตมันก็ดีนะทาแบบเลื่อมันก็มันก็ดีที่มัน ที่จริงสิ่งต่างๆนั้นครูบาจาะให้เตือนไว้เลยนะหลวงพ่อทั้งเทศสอนศะรจะทํำพกความอยากนะอยากได้อยา ก, ยา ก, ายากมีอยากเป็นอยากเอาแต่มันก็เข้าแต่หนูนะไม่เคยเข้าถึงใจนะมันเข้าไปเก็บไว้แต่ในสมองแต่ไม่เคยใจไม่อยากเชื่อพระพาลก็ตึงดังขึ้นมาว่าคงเป็นกระส่ายเท่านั้งคงเคยได้ยินนะจะทำพกความอยากแต่ก็อยากจะตายอยากจะ้มนุษย์ทํำจะตายมันก็เป็นแบบนั้นพอเราเห็นแล้วมันเข้าถึงจิตถึงใจแเราก็ ความทุกข์มันเกิดขึ้นเพราะตรงนี้นี่เองนมันก็ละความอยากไปได้มนลบลงไปมันคงรักไดโดยสิ้นเชิงนะไม่ยังมีความอยากอยู่แต่ถึงตามันรู้ว่ามันมีปัญญาเห็นว่าความอยากเป็นสาเหตุของความทุกข์มันก็เลยละได้เมื่อความอยากมันเกิดขึ้นใหม่อันนี้มันไม่มันไม่เคยแสดงอาการเหมือนเหมือนชนกำแพงนะสกีย์มันแค่คหนึ่งมันรู้สึกแค่ว่าจิตมันมีความอยากเกิดขึ้นมันก็ละไปอคนเดียว ค้ายๆความรู้จากสภาวะตรนี้แล้วเหมันก็มันไม่เคยเข้าไปถึงขนาดนันนกที่นิดหน่อยเข้ามารู้ทันนิดหน่อยก็มารู้ทันเหมือนกับคนที่ไปใช้ผิวหนังของเรามัน้องไบเนาะยุงมาแตกแบบ่หนึ่ยังไม่ทันกัดแล้วก็เรียกว่าสะดัดออกไปได้ไม่ต้องแบบเซอร์คิดเหม่อลอยอยุงกัดก็ยังไม่รู้ตัวมันฟองมันฟองแล้วก็ไปเพิ่งรู้ตัวแบบนี้จะมีใช่ไหมคือสภาวะที่เหมือนแช่หรือว่า เบอไม่รู้อะไรเลยอันนี้คือสภาวะถ้าจิตเราต้อรู้อารมณ์อะไเกิดขึ้นแล้วก็จะเห็นว่าบางทีก็ความโกรธบางคนก็เห็นซึ่งความโกรธนะความโกรธก็เกิดขึ้นถ้าเราบางคนโทสะกจะดิดชอบโกรธก็ยิ่งดีนะอารมณ์แรงบางทีอาจจะไม่ทันเปลี่ยนหใจแต่มันรู้ทันว่าภาใจสภาวะกายมันัผิดปกติไปเคยไัมมันผิดโกรธแล้วมือตัดหัวใจตัด มันเป็นแบบนั้นนะโกรธจนแบบเรียว่ามันเก็บอาการไม่อยู่มันก็แสดงออกมาทางกายมันเห็นเออพอเราก็ไม่เห็นกายมันเป็นแบบนี้ อ, อ๋ก็จะย้อนเห็นเห็นใจว่าอ๋อเป็นโกรธมันก็รักนะบาทีโกรธแล้ดีนะักเห็นง่าย เ, เห็นง่ายอธมายังอันนี้ประสบการณนีอยก็ยังเห็นความโกรธในสานที่ยังปฏิบัติไม่ค่อยเป็นไดครั้งนะปฏบัติไม่ค่อยเป็นหมายถึงว่าตอนนั้นก็ยังยังไม่โกรธ เราเห็นความโกรธแบบเพราะมันโกรธจริงๆแต่ตอนนั้นมั น, มนดีตรงที่มัามีคนสะท้อนให้เห็นถ้าเราจะเห็นเองเราไม่เห็นตอนนั้นคือเราเราไปอยุดความโกรธะฉะนั้นโกรธอาจารย์ท่านหนึ่ง น, งนะตอนเรียนตอนฝึกงานโกรธอาจารย์มากนะเราเพื่อนก็บอกว่าไม่เคยเห็นเราโกรธขนาด น, นั้นเห็นเราเปคนเหมือนใจเย็นใจดีใช่ไแต่แท้จริงแล้วไฟอยู่ในข้างในนะมันก็ เอาเหตุเอาผลเอาถุกเอาผิดเอาความชอบทำเขาไม่ชอบทำกับสิ than, ่งท mm ี hmm. freedom, ่เกิดขึ้นกับกับหลักการกับเหตุคนต่างๆแต่เราก็เก็บความโกรธไว้เพียรได้เพียรน้อยจนทั้งมันตัดผมมันค่อยๆแตกมากตอนสุดท้ายก็ยังมาเปลี่ยนเรามาแก้งเราก็คิดว่าเขาแกล้งเราหรือเปลี่ยนเรามั้งนะเราก็โกรธแบบได้ว่าข้ามมันข้ามคืนอาจจะไม่ถึงขนาดข้างมันข้ามคือนมันนับก็อาจจะไม่ได้ซึมโกรธแล้วแหละแต่ตอนเช้าก็มาตื่นขึ้นมก็โกรธ คนที่ไปพูดกับเขาไม่ได้เอาตัวผิดนีไ้ได้ถ้าไม่ยอมเราจะไปดีกว่าประมาณให้ายๆแตกหักไปเลยพอดีอาจารย์รูกนึงอาจารย์คนนึงก็มาพูดแทเหมือถึงว่าเขาเป็นอาจารย์สุดโดยทรงไปที่ศุกราตายทรงไม่ได้เป็นหัวหน้าเรามีปัญหาตัวคนหน้าอาจารย์ที่ศุกตามาพูดนั่นก็พูดดีๆเห็นสภาพเห็นของเราดีๆนะท่านก็ทักมาคำหนึ่งว่าสุทธิศาสตร์คิ้ว คิ้วเธอผูกโบแล้วนะคือตอนนั้นตอนวันปกติมาก็คือการคิ้วผูกโบหรว่าเรือีตามันมันเกิดจากกายที่เราแพ้แตงส่วนหนึ่งแะอันนั้นเราเราก็เป็นธรชาติคตอนนี้ก็ยังเป็นนะยังแพ้แตงยังเหมือนคิ้วผูกคิ้วผูกโบแต่ที่ท่านชี้ให้เราเห็นว่าสุธิชาคิ้วเธอผูกผูกโบแล้วนะก็คือเราไม่เห็นหน้าตาเราแล้เราเห็นใจเราใจเราเครียดใจเรามันทุกข์ พอเราเห็นความทุกเห็นความปวดที่เกิดขึ้นตับใจของเรามันวางความโกวดได้ไอ้คิดว่ามันหนักมันเจ้าตัวกระผิดแค่คําพูดคํานึ่งเสร็จคำพูดมันมีประโยชน์ถ้าเราไมเห็นอาการนี้ของใจเราพอเราเห็นอาการนี้ของใจเรามันวางความกวดไปเองวางแล้วก็จ้ะจบเลยคือไม่ต้องปูดรั้เหมือนเราตรงเปลี่ยนแบบนั่งเป็นหลังเลยโยมมันจากที่ โกรธมากๆมันกลายเป็นหายไปปิดตาเราก็สงใสัยนะเราก็สงสัยทำไมมันหายไปจากพูดแค่นี้มันหายไปแต่นั้นมันก็ยังไม่เข้าใจว่าอันนี้เป็นกระบวนการของสภาวธรรมในการเห็นอารมณ์เห็นความคิดตรงนี้เห็นความโกรธเราไม่เข้าใจเราก็เพราะตอนนั้นก็ยังภาวนานไม่ค่อยเป็นแต่มันมีตรงที่ครูมีคนชี้ให้เห็นพอชี้แล้วเราก็มาเห็นอ๋อแล้วมันก็าหายไป แาบนั้นไม่เกิดขึ้นอีกเพราะว่ามันไม่ค่อยเกิดโกรธขนาดนั้นอีกละมันไม่ใช่โกรธขนาดนั้นก็ไม่ค่อยไม่ไม่เห็นความโกรธแบบนั้นแต่สภ า, าวะ น, นี้มันมาเข้าใจชัดขึ้นตอนที่พอเราเห็นอารมณ์เห็นความคิดมันก็เลยดีคอไปได้ว่าอ๋ออาการเนี้ยมันเคยตรงนี้นี่เองที่มันเคยจําได้มันเคยมีมาแล้วนะไม่จะเป็นว่าเดืองรอมาบวเป็นพระไม่ควรจะต้อง รอให้เป็นอะไรในสิ่งอากนั้นทุกคนสามารถทําได้ดูได้แต่พริงแต่ว่าตรงนั้นมันจะใั่กระดู่คอยชี้เราเราก็จะเห็นแล้วเราไม่เม่มีวิธีที่จะทําต่อจะต่อสติต่อให้สามารถรักสร้างตัวรู้ต่ อ, อได้มันก็เกิดขึ้นแค่ครั้งเดียวแต่การเกิดขึ้นครั้งเดียวเป็นเป็นส่วนรวมเป็นเป็นประสบการณ์ที่ยิ่งใหญ่ตัวเองเพราะอะไรมันทําให้เราได้คิดตัวเองแคดขึ้นว่าเราฟุ้งและเรา ถ้าเราเจอกัทุกแบบนี้ต่อไปนะทุกกับความอับปูกับขีดกัความชอบธรรมกับเอาเหตุเอาผลเราคิดว่าเราทําดีเราทำถูกแต่เราทําแบบทุกมันคุ้มนั่นแหละมันก็เลยเป็นเหตุการณ์สำคัญของชีวิตสมาที่ทําให้เราตัดสินใจไย้กจะบวชปี 3, สามซัมเมินจะขึ้นปีสี่แบบก็คือเราตัดสินใจว่าถ้าเราเรียนจบเราจะบวชแน่เพราะว่าอะไรเพราะเราเห็นว่าเอ้ยเราปฏิบัติธรรมนะ ไปสวนโมกก็เคยปฏิบัติธรรมมาอ่านหนัือธรรมะ ก, ก็พอสมควรของอจจงรราจารย์พิทัาษ์ของหลวงปู่ติสนาทันของสายวัดป่าก็พอสมควรถ่ายไม่ถึง ก, กับมากมายเท่าคนืนแต่บางเรื่อนี้ก็เรียกว่าอ่านเป็นคิดปฏิเสกเข้าใจอปัญญาตะวันทอตะวันตกโอ้สื่อารก็พอสมควรวรรณกรรมที่เป็นแนวเชิงความคิดเชิงปัญญ า, าอ่านมาพอสมควร เรื่ไหนที่เขาแนะนําว่าดีแล้วก็ตามอ่านแล้วก็คิดว่าเราเข้าใจถึงตามนี้แต่พอวันนึงที่เราเห็นว่ามันพุ้งมันโกรธอ่ามันพุ่งจริงหนึ่งมันขบมันย้อนว่าไอ้ที่เราทํำมาไม่ได้ผลเลยทําไมทําไมพอเราเรีจริงเราไม่ได้ผลทามาเข้าใจเลยก็ตอนที่อ่านตอนที่ฟังวะเันก็เลยเกิดคําถามว่าไอ้สิ่งที่สําคัญกับชีวิตเราคือเราต้องมามาเรียกว่ามาทําให้มันเกิดขึ้นจริงๆให้มันตับ ไปจริงๆจะ ด, ดีกว่ามาทํามาศึกษาตรงนี้ดีกว่าแทนที่จะออกไปทํางานมีครอบครัวอะไรต่างๆคนอื่นเราย้อนกลับมาเริ่มต้นชีวิตหลังจากเรียนจบด้วยการบว ด, ดีกว่ามันก็เกิดเป็นเรื่องของการเอออันมาบวชไม่ได้มันก็ทุกข์แค่ตรงนั้นอะมากที่สุดหลังจากนั้นก็ไม่ค่ยมีทุกข์ักเพราะว่าไม่ถึงก็ทุกข์แบบโลกโลกนะแต่ไม่ใช่แบบหน้าน่างทำความสะอาดเพราะว่าการเรียนก็ก็ค่อนข้างดีนะ หน้าที่การงานก็มีคุณครูที่จะคอยหาให้ ท, ท่านก็จรับปากไม่ใช่เรื่องอความรักก็สมหวังอะไรไม่ได้เป็นเรื่องที่ผิดบังก็มาบวชแต่มันก็ทําให้เราคิดว่าก่อนที่เราจะเริ่มต้นในอะไรทีย่ยางเราเราควรที่จะเริ่มต้นจากการเข้าใจตัวเองก่อนใช่ไหมถ้าเราทํางานด้วยใจตัวเองเรามีเครื่องมือตรงนี้แม้ออกไปทํางานแล้วก็ทํางานอย่างไม่ทุกขแม้จะมีครอบครัวก็มีครอบครัวอย่างไม่ทุกแม้ อะไรไม่จะทำอะไรต่างก็ทำอย่างไม่ทุกก็ได้แต่นันก็จะเป็นความคิดแบบประมาทนะประมาทว่าเออถ้าเรามีเครื่องมือแล้วเราออกไปใช้จริงยมันก็จะใช้ได้แต่พอเราก็มาศึกษาจริงใหม่ๆพอาะเริ่มรวยใหม่เหมือนเราเข้าใจเราดูอะไรมากมายนะแต่พอศึกษาำเรื่อเรื่ยเราก็รู้ว่าไอ้ที่เราไม่รู้อะมีมากกว่าไอ้ที่เราโง่อยังมีมากกว่าเหมือนเราเรียนใหม่ใหม่แล้วก็ฝึกโอษ เราดูอะไรมากมายเลยเข้าใจมากมายเลยแต่พอเรียนลึกลงไปเรื่อยกับพบว่าไอ้ที่ลึกซึ้งไอ้ที่อะไรต่างๆมันยังมีเยอะแๆที่เราไม่รู้มันกลับมาจะหนักว่าไอ้ความมั่นใจในวิชาความรู้ขเรามันมันมีเยอะแต่แช่จริงมันไม่เยอะใช่ไมเปรียบคล้ายเหมือนกับเหมือนเราเรียนจบระดับไหนก็ได้แต่ด็อกเตอร์ก็ได้นะจบด็อกเตอร์แล้วว่าเรเรียนรู้เยอะนะแต่แท้จริงความรู้ในวิชาความรู้เนี่ยมันมีอีกหลายอย่างที่เราไม่รู้ เรื่องของิตใจของเราก็เหมือนกันเรื่องของจิตใ จ, เ ร, เ, เ, ร จ, ใจเราก็รู้ว่าเรารู้เยอะแต่แท้รจริงแล้วเราก็เห็นสิ่งที่เรามีรู้อีกเยอะแยะมากมายนั้นการปฏิบัติธรรมก็เลยเป็นเรื่องที่ได้ว่าเราปีตประมาณก็ไม่ได้นะแต่นี้มาก็คือว่าโชคดีคือได้มาบวชแล้วก็ได้มีโอกาสในการศึกษามรรมะแล้วก็อยู่กับตรงนี้มันเป็นคล้ายๆมันเป็นสถานที่ที่เพื่อนะในการปฏิบททัติธรรมนะแต่ถ้าเรา เป็นโยมลายจะไม่เลือ่อนขนาดนี้แต่ถ้าเจรเิญสติสามารถทำได้เหมือนกันนะสามารถทําได้เหมือนกันแม้บรรยากาศไม่เลือ่อนแต่เราเราจะทันบรรยากาศมันเลื่อนสิทธนะิอย่างตอนนี้นะเราจะจันบรรยากาศของเราไม่เลืออ่อนในการปฏิบัติธรรมในช่วงเจวันเนี่ยถ้าเราทําเต็มที่นะมันก็จะได้พื้นฐานที่สําคัญมากสำคัญในการเอาไปใช้ชีวิตแต่ใช่จริงแล้วตอนเบื้องต้ น, นการเจริญสติขึ้นมาก็ไปเข้าเจตคดอยู่พอสมควรมาก เราจึงเจอสติแบบเรียว่าเหมือนมันลําดับขั้นกายเวทนาจิตธรรมเหมือนท่านแข่งจามพุทธพุทธทาท่านท่านบอกว่าอาาพันอาณาพันสติสิบหกขั้นใช่ไิบหกขั้นมันเหมือนแบบแบ่งระเบิดค่อนข้างชัดเหมือนบันไดสิบหก้าวที่ต้องข้ามทีดก้าวแต่แท้จริงแล้วพอเรามีสติจริงๆเราสังเกตว่าแท้จริงแล้วมันกระโดดไปกระโดดมาไอตัวรู้มันไปรู้กายบ้าง รู้เวทนาบ้างรู้จิตบ้างรู้ธรรมบ้างไม่สามารถเลือกได้เลยแต่ถ้าเราไปอยากให้มันรู้แต่กายอย่างเดียวให้มันรู้แต่กายอย่างเดียวมันกลายเป็นคลิกเป็นสมถะเป็นพอสงบซะมากกว่าแต่ถ้าเรารู้แบบธรรมชาติรู้กายก็รู้ไปสิรู้เวทนาก็รู้ไปสิรู้จิตก็รู้ไปสิรู้ธรรมก็รู้ไปสิแล้วก็เห็นอ้อมันเป็นเทนนี้เองของมันมันไม่เป็นไรนี่ว่าแต่จิดมันไปรู้อะไรก็ได้ให้ตัวรู้มันอยู่ต่างหาก แอ้ที่เราคุ้งเป็นอะไรก็ได้เราก็ดูไปเช่นนั้นใช่ไหมพอเราดูไปเช่นนั้นมันก็มันก็เกิดความเข้าใจเจตหวัว์มากขึ้นไม่ต้องไปกําหนดนะแต่การเชิงสติแบบอาศัยกายในนุ่งต้นมันก็ถูกแต่ปีนันว่าเราไม่ได้เป็นจ่องที่กายอย่างเดียวไปดูที่กายอย่างเดียวไปกําหนดไปที่กายอย่างเดียวเรารู้ที่กายเห็นที่กายแต่ก็ให้มันสบายเมื่อความคิดเกิดขึ้นเมื่อเราเกิดขึ้นแล้วก็เห็นมีความคิดเป็นอารมณ์อันนี้ก็ได้ เมืาเห็นมันก็มันก็วางไปพอมันวางไปมันก็สัมรู้ที่กายไหน ม, มันก็เป็นธรรมชาติของมันอ่าอันนี้ก็คือถ้ามีตัวดักเด่นที่ตัวหนึ่งแต่บางทีก็ไม่ใช่ว่าจะเอาเด่นเกิดแบบจ่องจุดท่าเดียวตัวอื่นมันเกิดขึ้นมาเราก็เห็นมันให้เป็นไรอ่อันนี้คือถ้าเราวางใจแับนี้ได้แาบบ่ปฏิบัติธรรมก็ไม่ไม่ใช่เรื่องยากอันนี้นะคือถ้าผลของการปฏิบัติธรรมเกิดขึ้นพอสมควรเราจะเห็นว่าคื อ, อมันเดินผูกทางเปแบบไหน เราถูกทางเราตรวจสอบได้ตัวของเราเองนะไป่ต้องรอว่าครูบาอาจารย์นับเราถ้าเราเห็นว่าทําไปแล้วมันแบบความทุกข์มันดนไปที่เห็นเลยความเบากับใจไม่ใช่เบาแบบเหมือนสมาธินะเบามันรู้สึว่ามันมันโปร่งมันโล่มสบายมันมีความสุขอยู่ในนั้นมันเกิดขึ้นแค่ตลอดเวลาเลยมันเป็นสภาพปกติมันเป็นแบบนั้นของมันความทุกข์สิ่งอื่น จอเข้ามามันเข้ามาไม่ได้หรือเข้ามาอยู่ถ้าพักมันก็ไปมันจะเห็นได้ว่าความโลมันสั้นลงมันยังมีความหลงอยู่นะอแต่ความหยาบๆมันเริมมันแทบจะไม่มีมความหยาบๆมันจะหายไปเยอะะขั้นกลางๆมันเป็นแบบไหนขั้นละเอียดมัเป็นเช่นไรมันก็จะเริ่มเข้าใจมันึ้นแต่ก่อนก็เริ่มต้นจากการเห็นสิ่งหยาบๆอารมณ์แรงความโกรธะอารมณ์แรงอความชังอารมณ์แรงอ คือความติดอะไรที่มันเคยคิดมานานมันแรงนะฮะบางบางคนติดเมื่อติดอาหารมันจะเห็นมันดูดก็มันคล้ายๆแม่เด็กที่มีกําลังกําลังใหญ่มากดูดดูดเด็กลงไปนะแต่พอพอเราทําความรู้จักมันคล้ายๆเหมือนแม่เด็กมันเล็กลงมันก็ยังดูดเลยนะแต่มันดูดแบบกําลังมันอ่อนลงอ่อนลงมันจะเห็นเลยว่าอ๋อคํามรางันอ่อนลงกำลังมอ่อนลงอ่าจนทั้งมันมันจนทั้ง มันหมดกำลังก็มีอันนี้สภาวะกิเลสเหมือนกันมันจะเห็นว่ากิเลสมันก็ยังมีแต่มันมีแล้วมันมันห่างห่างไปเรื่อยๆเมืเทีนมาเขเปรียบเทียบเหมือนคล้ายๆกับเดินออกจากกองไฟมันจะรู้สึกได้ว่ามันความร้อนมันมันน้อยลงปลอดภัยขึ้นนิดนึงใหม่ๆแล้วรู้สึกเราอยู่ท่ามกลางความร้อนไม่รู้จะออกแบบไหนอยากจะออกนะจะออกไม่ได้อยู่ท่ามกลางของทุกข์ไม่รู้จะออกแบบไหนออกไม่ได้แต่พอสติ ดีออกมามันตื่นออกมาอ๋อมอแบบนี้เองแม้จะหก็เข้าไปใหม่ก็ออกได้คล้ายๆเหมือนมันเรารู้รหัสเกิดตมงที่ติ๊งแกล็อกแบบกดรหัสนะรู้เซฟมีรหัสเรารู้แล้วแต่ก่อนพยายามกดล็อกมากมายไข่มากมายทำไม่ได้พอรู้รหัสรู้เซฟของมันแล้วก็อ๋อกดล็อกได้มันชินแล้วนะเหมือนเราจําสภาวะอะไรได้แล้วก็อ๋อชินมันเราเแต่หลายคนมันไม่เคยเห็น ถ้าอยู่ด้วยการเหตุวันอาจจะจำหน้าได้ทั้คนเจอกันที่กรุงเทพที่ไหนก็คงจาได้ชะภาวะอารมณ์เราก็เหมือนกันนะใหม่ๆมันไม่รู้จักอารมณ์หรอกแต่รมณ์เข้ามาเรานะมันคข้าเราแต่เราไม่เคยเห็นหน้ามันจริงๆนะมันเหมือนคล้ายๆเหมือนดนลุมโปงอ่ะเหมือนเคยเคยโดนไหมโดนตึ้งแกงเอาเอาอะไรเอาภาพผของคุ้มโป้งเราไม่รู้ว่าใครมาคุ้มน่ะ แตกทั่งเราออกจากภาว่าการคุมได้ก็เห็นว่าใครเป็นคนขูบเรอันนี้ก็เหมือนกันมันจิตเราที่มันโดน อ, อ, ก อ, อการมณ์ครอบอ่ะมันไม่รู้วอาใครเป็นคนทำจะแท้จริงพอออกจากความครอบได้เรารู้แล้วใครเป็นทำเราไม่ได้ทำตัวเองเราไปยึดเองเราไปหลงเองไม่ใช่ใครทําเลยแต่ก่อนไปคิดว่าคนนั้นทําเราน่ะคนนั้นทำให้เราโกรธคนนั้นทำให้เราไม่พอใจน่ะสิ่งต่างเกิดขึ้นไม่ไปทำกับเราเลยแต่แท้จริงแล้ว ความต้องเกิดขึ้นี้ที่เราวางใจไม่เป็นที่เองอ๋อมาเห็นสภาตัวนี้อันนี้คือนี่ยอาจจะเรียกวเป็นเรียว่าเป็นเรว่าผลของการภาวนาเนาะถ้าทำเกิดสติแล้วมันจะเกิดผลอย่างไรอันนี้ก็เ น, นี่นก็เล่าจากประสบการณ์ของตัวเราเองนะหรือว่าถ้าเราได้ยินครู บ, บ า, าอาจารย์ท่านบ้างแบบไหนก็ที่ว่าหลายคนก็เ่งเคยเคยได้ยินได้ฟังมาพอสมควรเนี่ผลของการจริญวิปัฒนาหรือการเจริญสติมันจะเกิดผล ความทุกมันจะน้อยลงบางลงบาลงความรู้จักตัวเองก็นขึ้นรู้จักอารมณ์มากขึ้นเนบบน ข, นข้าใจมากขึ้นเข้าใจว่ามันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนของเรานะเข้าใจในสภาวะทุกอย่างเป็นสภาวะนิพานาสภาวะที่มันเป็นมีแต่ความทุกข์เท่านั้นสภาวะที่มันมีแต่ตาการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นตั้งอยู่ดลบไปมันมีแต่สภาวะตรงนี้นะถ้าเราเห็นตรงนี้มันก็จะเกิดความเบือ่อหน่ายเกิดความคร้ายคนัดเกิดการ ละการดิมมั่นซื่อมั่นสื่ประทานขันทั้งหลายออกไปอันนี้คือถ้าเรามีชีวิตอยู่แบบนี้ได้มันจะเกิดความมั่นใจว่าพ็แม้วันหนึ่งเราต้องแก่แม้วันหนึ่งอาจะเป็นมะเรงสุดท้ายเราต้องตายไปมันจะเกิดความมั่นใจว่าเออไม่เป็นไรเป็นก็เป็นไปตอนนี้ยังไม่เป็นยังต้องไปทุกข์กับมันบางทีเราก็ทุกล่วงหน้านะเหมือนที่บอกเราเตรียมตัวเต็มอะไรมากมายแต่ลืมอย่างลืมเตรียมใจ เตรียมเสร็จตัวเรนเต็ที่ดงเต็มที่ใจแต่ตอนเนี้ยเรามาเตรียมใจเตรียมตัวไม่ค่อยเตรียมอะไรหรอกบางทีพักก็กมาแต่ไม่ค่อยเตรียมตัวนะแต่เราก็เชื่อว่าบางทีธรรมะก็คุ้มครองของมันเองบางทีก็ทํามะก็จัดสรรหรือบางทีก็แล้วแต่ใครอยช่วยไม่ช่วยก็แค่ของบางตรนั้นก็ไม่เป็นไรประมาณว่าเอาใจไก่อนมีคนช่วยก็ดีขอบคุณช่วยไม่เป็นไรเอาไบนไป ก็เป็นประมาทในทางทำกายภายนอกแต่มันก็อย่างว่าเป็นท้ามเกิดขึ้นควายมันก็ไม่ได้ควายไปาเงินหาทองหาคนมาหนักมาติดตามันมันผิดทางนไม่ใช่แต่ถ้าเราเห็นว่าเนที่จริงการที่เราไม่หามันคือการทําให้เราแบบก็มาหาที่ภายในแทนก็คือหาการบางแกที่ถูกให้ไปหาสิภายนอกมันช่วยมันก็เกิดความมั่นคงขึ้นถ้านะประว่า มันกไม่ใช่แค่เรื่องของคระเขาไม่ใช่เรื่องแค่อธตมาะนะครับเขไม่ได้พูดเรื่องก่อนมาคนเดียวแต่มันก็คงเป็นเรื่องของชีวิตของทุกคนเหมืนกันนาะเป็นเรื่องของพวกเราทุกคนเหมือนกันเพราะเราก็มีร่างกายจิตใจมีการเกิดมีการแก่การเจ็บมีการตายแล้วเราก็สามารถปฏิบัติธรรมได้ทุกคนนะไม่ใช่แค่พระมช่แค่อธตมาไม่ช่แค่หลวงพ่อคบัติการมแค่ทุกคนทําได้ธรรมะช่วยอย่างนั้นนะอันนั้นการที่เราเห็นว่าทุกคนทําได้เราก็เลยทําให้เรา ทีเรามาพูดมาสอนมาอบรมก็คือเราไม่ได้ว่าเราจะให้นะแต่เพียงแค่คี้เห็นว่าสภาตรงนี้ยทุกคนมีอยู่แล้วทุกคนสามารถทําได้แล้วก็ทําได้เป็นจริงนะถ้าพวาเราทำจริงจริงนะอันนี้ก็เรียกว่าความสมดุของการยึดสติวัตถุเช่นนี้แล้ว ก, ก็พูดให้เป็นแลกเปลี่ยนประสบการแล้วก็เป็นแง่คิดในการกลางใจใการปฏิบัติรรของเราเนาะ ก็อย่าเพิ่งเชื่อเลอาจจะมาอ่านวให้ลองคิดดููว่าถ้าเรนะาเจตสตินะถเดินัสนามันจะเกิดผลเช่นนี้ไหมนะแต่อย่าเพิ่งในขณะี่เป็นาอป็นเทียมมากก็วางสบายดูอารมณ์ตัวเองไปืูสภาวะตัะเองไปเป็นหลักนะอย่็ไปเทียงมากแนะค่แค่สัมผั ส, สดูว่าทุกข์มันบางไมเบาลงไหมออกจากคคิดไ้เร็วไหมอันนี้ดูตรนี้มันจะเกิดผลมัน แต่ก็ที่สาคัญก็คืออย่าทำด้วยความอย า, ากแก่คิได้ผลเป็นแค่พอใจที่สังเกตไปก่อนนะพอใจที่จะรู้ตัวพอใจที่จะเออเจอสติพอใจที่จะ พ, พจจะับมาสัมผัสกับปัจจุบันขนณะนั้พอใจที่ทำํำนี้ไปก่อนผล ม, นนนนะมันเกิดขึ้นแน่นอนนะเหมือนเรากินข้าวไม่ต้องหวังความอิ่กินไปเรื่อยๆเห็นมัก็อินอ่าเหมือนเรามาที่เนี่ยแค่ขยนันนิด่ขยนันตื่นขึ้นมาก็นั่งรถ ตอนเจ็ดโมงก็ได้มาเรถก็พามาเองนั่นแหลคือการปฏิบัติธรรมก็เป็นเช่นนั้นเหมือนแค่เบื้องต้นอาศัยความเพียนเยอะหน่อยอาศัยการศึกษามากหน่อยพอเข้าถูกทา ง, หงเห ม, มือนกัขึ้นรถถูกคันกอไปปฏิการเดยมันเองมันเหมือนสติมันเกิด มีครูสอนเองเดี๋ยวมีพี่นิ้ยงมากระตุ้นเองแบบคล้ายๆมันมันมีบรรยากาศเรื่อๆเรื่อยที่ไป แ, แนวนะัว้นการเป็นดนติก็เหมือนกันเรืนต้นถ้ามาถูในทางสู่ด้านที่พัฒนาแล้วต่อไปมันจะทาตัวเองนะไปเรื่อยแต่ไปชา้าไปเร็วนั่นก็ไม่รู้นะแ ล, แ, นแล้วแต่บุคคนแล้วแต่บรรยากาศแล้วแต่สิ่งที่สะสมมานะหรือแล้วแต่ภาวะที่มันใครควรในตอนนั้น แต่เราควรด้วยมันก็เป็นเรื่องที่ค่าไม่ได้แต่แน่นอนถ้ามาผูกทางมันไปถึงจุดหมายปทางแน่น่ะจะวันไหนก็ไม่เป็นไรมันเพรมันมั่นใจว่าเออมันถูกทางไม่หลงทางเพราะมันเคยลงมามันจะเห็นได้ว่าชีวิตนี้ก็ดีนะชีวิตผ่านมาทุกข์กกข์กี่ชาติทีมันหลงมาถ้ามันไม่หลงมันก็ม่กับมาเกิดอีกหรอกนะมันดูมทุกแบบนั้น ถ้ารู้สึกมันทุกมาเรื่นนานเกินแล้วนะต่อไปจะให้ทุกข์อีกว่ารู้สึกแบบนัน้นี่คือมันก็จะเป็นเป้าหมายใหม่ในชีวิตเราขึ้มนมาก็เชื่อว่าหลายคนก็มีเป้าหมายในชีวิตแบบนี้ที่จะทําให้ถึงที่สุดของความทุกเนาะให้ถึงที่สุดในตรงนี้ก็อย่กไปรอชาติไหนนะอทำชาตินี้แหละนะอย่าไปรอวันไหนเลยสักรอทาวันนี้แล้วกันก็ฝากนีไว้นะก็คง ขอขอบคุณเก็บเาก็เเราถครับ